นะโมตัสสะพะกวาโตระหัโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะหังกวาโตระหัโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะพะกวาโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธสโรกัทธมเหหิกิตังยสนาคัมปติ อสังว ok ิราชังแคมเอตัมมังกรมุตตมันติอิมัสสะธัมมะปริยายะสะอัตโทสะทายะสะมันเตหีสกจังธรมโอโซตโปตีเข้าที่นั่งสมาธิขัตสมาธิฟัง ทำธรรมะธรรมะทำสมาธิไปด้วยเอาธรรมะกอมเอากระแสธรรมกอมอมวันนี้เป็นวันที่27สิงหาคม พุทธศักราช 2,563 ซึ่งเป็นวันที่นัดหมายในการประชุมฟังธรรมะสวดมนต์ไหว้พระเจริญสมาธิภาวนาประจำบริษัทเวรินาจังหวัดมหาสารคาม คือสถานที่แห่งนี้สาราอนุสรองค์ลุงตามหาบัวยนสัมปนโนซึ่งได้ปฏิบัติกันมาทุกเดือนทุกเดือนสำหรับเดือนนี้ก็เวียนมาบรรจบได้ธรรมบุรพกิจไหวพระธรรมวัดเย็นแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์ลำดับต่อ น, นี้ไปตั้งใจ ตั้งใจทาบุญทำสมาธิเรียกว่าปฏิบัติจิตภาวนาปฏิบัติจิตภาวนาเพื่อให้เกิดสติปัญญาที่จะรู้เข้าใจในธรรมะการปฏิบัตินั่งสมาธิ ภาวนาอันนี้เรียกว่า ร, รมสมถภาวนาในท่านั่งอิริยาบถนั่งเอาขาขวาขึ้นทับขาซ้ายเอามือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงนี่ว่าแต่งกายสบายสบายให้เป็นปกติหลับตาลงเบาๆงับปาก ไม่ต้องพูดพูดในใจก็ไม่พูดให้นึกในใจมีสติรละลึกรู้เฉพาะหน้านึกพุทธโธธรมโมสังโฆพุทธโธธรมโมสังโฆพุทธโธธรมโมสังโฆแล้วนึกเอาพุทธโธพุทธโธ หายใจเข้าพุทรู้หายใจออกโหรู้หายใจเข้าพุทรู้หายใจออกโท ร, รู้หายใจสบายไม่ต้องกดต้องเกรงไม่ต้องกดไม่ต้องเกรงตั้งสติให้สบายสบายไม่กดไม่เกรงไม่เอาอจิตสะกดะเพียงแต่รู้ สบายสบายกับหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นนี่เรียกว่าตั้งตั้งเครื่องเลดา้าตั้งเครื่องรับธรรมจากกระแสเสียงไม่ต้องทรงใจไม่ต้องท่งความรู้มาหาผู้เทศตามเสียงที่ผู้เทศคำนวรู้อยู่ที่ใจของเรา ใจมีหน้าที่รู้อย่างเดียวเป็นใหญ่ในการรู้ส่วนหูเป็นใหญ่ในการสัมผัสกับเสียงใจหรือวิญญาณวิญญาณความรู้มีนหน้าที่รู้ความหมายแล้วก็เข้าไปสู่ใจที่เป็นประธานความรู้ที่เป็นประธาน ีเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจอย่างอื่นอย่างใดสติเขามีหน้าที่ะระลึกรู้นึกคิดอะไรก็ไม่ได้วันจิตมีหน้าที่นึกคิดเอาจิตหรือนึกพุทธหายใจเข้าไปใจรู้โผลหายใจออกมามีเท่านั้น จิตประคับประคองให้สบายสบายหน้าที่ของการพูดการอธิบายธรรมะเป็นหน้าที่ของผู้เทศผู้ซี้แจงแสดงหน้าที่ของเครื่องรับก็ฟังรับรู้ข้อหาสาระในข้ออัดข้อธรรมแล้วก็จะกลมคืนความรู้ความ เห็นความตั้งมั่นเรียกว่าสติสมาธิปัญญาจะกลมกลืนกันอยู่ในที่นั่ น, นตั้งใจฟังตั้งใจรับดังที่กล่าวได้ยกภาสิที่จะอธิบายธรรมะขึ้นเป็นหัวข้อว่าพุทธสโรกธรรมะหิ โรคกระทำเมโรคกระทำแปดพุทธะ ม, มีความรู้ในโรคกระทำทั้งแปดประการตามความเป็นจริงก็จะเป็นความเกิดความเป็นมงคลคาว่าโรกกระทคือทรไปจำโรค ึงมีอยู่ที่พวกเราได้สัมผัสสัมพันธ์ได้รับรู้ได้กระทบกระทั่งกับคำว่าโรค ก, กระทำคือธรรมประจำโรคที่มีอยู่แปดประการได้ราบเสื่อมราบได้ยศเสื่อมยศมีได้รับสลรเสริญ แล้วก็ได้รับนินทานเป็นคู่กันสัมผัสความสุขแล้วก็มีความทุกข์นี่เรียกว่าธรรมประจำโลกมีอยู่สี่คู่แยกเป็นแปดจึงว่าเป็นโล ก, กธรรมแปดนี่อยู่ ทุกจิตทุกใจทุกตัวตนคนสัตว์บรรดาที่เป็นมนุษย์ชาติหรือสัตว์เดรัจฉานก็ตา ม, มก็จะมีสภาวะอันเดียวกันมเมื่อส่วนมากความอยาก ก็อยากมีอยากได้อยากมีทําสิ่งใดก็อยากให้สาเร็จตามความอยากได้อยากมีแต่ว่าความเป็นจริงในโลกกะระทําหรือทําในโลกในสมมุตินี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าอยากมีถ้ามีมันก็มีเสื่อม ก็มีเสียเนี่แหละเพราะฉะนั้นเราแวสแวงหาเข้าของเงินทองเครื่องใช้ไม่สอยประจัยสี่เมื่อมีแล้วมันก็เสื่อมไป ไ, มได้มาแล้วมันก็เสียไปเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ก็เหมือนกันอำนาจ มันก็ได้ก็มีตามสมมติแต่แล้วมันก็เสียมไปเพราะว่าสมมติสมมติแล้วมันก็เสียมไปนี่เป็นสิ่งที่เป็นอยู่อย่างนี้ไม่คงเส้นคงวาสรรเสริญ ทีทล้วก็ได้รับความสรรเสริญอย่างนั้นอย่างนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้ในขณะเดียวกันความนินทาก็อยู่ด้วยกันในที่นั่นแหละเพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้นี่นอนอพอคนหนึ่งสรรเสริญคนหนึ่งก็นินทาหรือคนเดียวกันนั่นแหละคณะนี่สรรเสริญคณะต่อไปก็นินทา ว่าร้ายความสุขความทุกข์ก็เหมือนกันสุขทุกข์สุขกายสุขใจทุกข์กายทุกข์ใจมันอยู่เป็นคู่กันมันไม่คงเส้นคงวามเมื่อผู้มากำหนดรู้ด้วยสติสมาธิ ด้วยปัญญาวิจารณญาณให้ควรให้ช่ำชองก็จะธรรมะคือความเห็นก็จะบรรจุหรือสัมผัสลงในความรู้คือใจของเราเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นอันก็จะถอนความอยาก หรือว่าความอยากความยึดความถือก็จะหมดไปเหลือแต่ธรรมชาติใจรู้ความเป็นจริงนี่ท่านเรียกว่ารู้เท่าโลกกระทำแปดเมื่อรู้เท่าโลกกระทำแปดตามเป็นจริงก็จะทำจิตของเรานี่ให้รู้ในจิตตามความเป็นจริง ความนึกความคิดการงานของความนึกความคิดก็จะเป็นการนึกคิดชอบถูกต้องตามความเป็นจริงกิตตังยศนะกัมปติเมื่อทั้งความนึกความคิดคิดให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจ ในโรคธรรมทั้งแปดลงสู่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนความทุกข์ความหดหู่ความกวนกวายภายในจิตใจซึ่งเป็นอาการเกิดขึ้นจากความยึดความถือจากความอยากก็จะไม่มี เพราะไม่มีความอยากไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องให้เป็นอย่างนั่นต้องให้เป็นอย่างนี้เห็นสภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นสุขทุกข์สันละเสรินนินทาเสียมราบเสียมยศตามความเป็นจริง ก็จะไม่มีความโศกความคับแค่นใจหดหูใจเพราะสิ่งเหล่านั้นท่านจิงว่าอาโศกังเข้าถึงความเป็นผู้ไม่โศกไม่โศกเศร้าเสียใจก็เป็นใจที่บริสุทธิ์หมดจดวิลชังเขมัง เข้าถึงความสุขความบริสุทธิ์อันกเกษมนี่นำความไม่มีทุกข์ไม่มีความกังวลไม่มีความหดหู่มีแต่ความปลอดโปรงโลง่งรู้ระรู้วางรู้ตื่นรู้เบิกบานในธรรมะตามเป็นจริง นี่จึงนำมาซึ่งความเป็นสิริเป็นอุดมมงคลแก่กายแก่ใจอย่างแท้จริงนี่กำหนดรู้มนสีการค้ควรให้เข้าใจตามสภาวะธรรมที่มีอยู่นี่ ที่นี่การที่จะรู้การที่จะรู้จะเห็นการที่จะเกิดการประชมุมมักสติมักสมาธิมักปัญญามักให้เกิดปัญญาณทัศนะก็ต้องเจริญสติให้ยิ่ง เรีว่าโพอดสังโคสติสังขาโตสติทําให้เกิดให้มีขึ้นที่จิตใจที่จิตใจที่ธรรมชาติรู้เมื่อมีธรรมชาติรู้รับรู้อยู่ในที่ใดเช่นในกายในคันท่าของแต่ละท่านแต่ละคนมีความรู้ความรับรู้อยู่ว่า มีกายมีใจมีสติระลึกรูก้นี่แหละถ้าธรรมชาติธรรมชาติสติระลึกรูก้มันมีอยู่เป็นสติโดยธรรมชาติแต่มันไม่ต่อเนื่องกันความระลึกรูก้บางทีก็รู้บางทีก็ระลึกแต่ไม่รู้นั่นเรียกว่าไม่มีความตั้งใจ กำกับรู้เพราะฉนั้นมาฝึกมาฝึกกําหนดรู้มาฝึกตั้งใจตามความระลึกรู้คือระลึกรู้ที่ความรู้อันดับแรกระลึกรู้ที่ความรู้คือว่าให้รู้ใจให้รู้ใจให้เข้าใจในความรู้หรือให้เข้าใจในคําว่าใจ ใจคือความรู้ที่ไม่ดับเป็นความรู้ในขันห้าทุกสิ่งทุกอย่างรู้สัญญาเวทนาทั้งขันวิญญาณนี่คือใจสติคว่าความระลึกรู้ก็เกิดขึ้นที่ใจอาศัยเกิดเพราะมีใจ ถ้าไม่มีใจอยู่ในที่ใดก็ไม่มีสติอยู่ในที่นั่นเช่นอย่างคนตายหรือสัตว์ที่ตายแล้วเรียกว่าไม่มีจิตใจไม่มีจิตไม่มีวิญญาณก็ไม่มีความรับรู้รับทราบอะไรเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วเอาไปทิ้งไว้ต่างแก้งนั่นละ ไป ท, ทิ้งไว้ในที่ซุมหนุมชนคนนั่นเดินไปคนนี่เดินมาคนนั่นข้ามไปคนนี่เหยียบไปเยียมาไม่มีความนึกความคิดเพราะไม่มีความรู้คือใจมีแต่ดินน้ำมีแต่ดินน้าลมก็หมดไปแล้วในสังคานร่างกายอันนั้นไฟคือความร้อนอบอุ่นก็หมดไปแล้ว เหแต่ความเย็นของน้ำความข้นแข็งของดินเพราะนั้นจึงว่าดินไม่มีหน้าที่รู้ไม่รู้อะไรน้ำก็ไม่รู้อะไ ร, มไม ร, ะไรที่รู้รู้นี่มีใจท่านั่นเดียว่าทาตรู้เพราะฉะนั้ น, น, นในขณะที่ดินน้ำไฟลมประชุมอยู่แล้วก็มีทาดรู้คือใจ อยู่ด้วยกันจึงเกิดมีสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าขันห้ามีขันห้าและขันสี่และขันหนึ่งประชุมอยู่ในธาตุทั้งสี่แล้วก็มีธาตุรู้คือใจสัมผัสกันหรืออากาศธาตุ<ม>ก็รวมอยู่ด้วยกันนั่นแหละเมื่อแยกออกจากกันแล้ว ใจก็เป็นใจดินก็เป็นดินน้าก็เป็นน้ามลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟส่วนใจคือธาตุลู้นั่นแหละแต่มีวิชามีตะกอนมีอาศาะเรียกว่าความไม่รู้ความหลงที่ละเอียดนั่นแหละเป็นยางเหนียวเป็นอาศาะติดอยู่ ตับธาตุรู้ว่านั้นที่นี่จะแกะจะขูดจะสีจะชำระชำรออาสะวะนั้นให้แยกออกจากกันเป็นคนละอย่างกับใจก็ต้องอาศัยมัขะ สติปทาสายมรคมรค ก, ก็คือสตินั่นเองหรือสีนส้นสิ้ก็คือศีลสังวรต้องมีสติสังวรเช่นว่าสังวรในการรักษาสีลนห้สิ้นปดคือสังวรในการไม่กระทำโทษไม่ให้กายนี่ไปฆ่าไปรักประพฤิผิด ไม่ให้กายนี่เอาเครื่องดองของเมาก่อเข้าไปลงซึมซ่าเข้าไปในร่างกายอานี่สังวรมีสติสังวรใจแล้วก็สังวรกายที่มันยังอาศัยกันอยู่ในโทษห้าประการานี่แหละจึงว่า อินทรสังวรศีลหรืออาศีวะบริสุธทธิศีลเรื่องชีวิตเรื่องชีพเอาอาหารการบริโภคเอาธาตุดินธาตุน้ำใส่เข้าไปต้องเอาธาตุที่บริสุทธิ์ธาตุที่ไม่เป็นพิษเป็นภยัยธาตุน้ำีว่าเส้นว่าเป็นน้ำเมาหรือสิ่งที่ไม่เป็นน้ำ เสิ่งที่เป็นผงสิ่งที่เป็นวัตถุอะไรซึ่งสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยที่เป็นโทษถ้าใส่เข้าไปแล้วบางสิ่งบางอย่างก็ทำให้ธาตุวิปริตทาให้ธาตุเกินอุบัติเหตุอุปติเหตุของธาตุจนถึงกับต้องสิ้นชีวิตไปได้การทำงานของเขาไม่สามารถที่จะทำงานสืบต่อ กันได้เหมือนเครื่องกลเครื่องยนต์เครื่องรถราต่างๆนั่นแหละเมื่อมันเกิดอุบัติเหตุแล้วมันไม่ต่อเนื่องกันระหว่างเครื่องของเขาแหละก็ทํางานอะไรไม่ได้ก็จะใช้ขับที่ต่อไปไม่ได้นี่ก็เหมือนกันเครื่องยนต์เครื่องยนต์ของกายของเรา เ, เป็นเครื่องยนต์ทิพย์ เกิดด้วยความเป็นทิพย์เกิดด้วยความเป็นธรรมทีนี่เมื่อไม่มีศีระสังวรไม่เอาสิ่งที่บริรสุทธิ์ใจเข้าไปเอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภยัยใส่เข้าไปก็จะเกิดโทษเพราะท่านท่านจึงว่าให้มีศีระสังวรกายสังวรวาจา ก็คือสังวรใจแหละสติเข้าไปควบคุมใจแล้วใจก็มาควบคุมรูป ก, กับกายกับวาจาสุดท้ายก็เข้าไปควบคุมใจเองใจควบคุมใจสร้างสติขึ้นมาอยากใจควบคุมใจนี่เรียกว่าภาวนาภาวนาหรือว่าปฏิบัติ ปฏิบัติเจริญจิตภาวนาหรือว่าเจริญสมาธิภาวนาทำความตั้งใจมั่นให้เกิดขึ้นเส่นการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกดังที่เราปฏิบัติกันอยู่ทำให้แน่วแน่ นี่เป็นการสร้างฐานของธรรมที่จะเป็นเครื่องประหัดประหารหรือลบล้างอาสวะแทนจริงว่าสติสติเป็นธรรมสติตั้งมั่นแล้วสติก็แผดเผาอาสวะ ความไม่รู้ความหลงให้เป็นความรู้ขึ้นมานี่เมื่อสติมีกำลังควบคุมอยู่กับความรู้ท่านเรียกว่าสติคุมจิตหรือสติดูแลจิตเหมือนกับที่เลี้ยงหรือมารดาผู้ดูแลบุตรถ้าบุตร ไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีมารดาดูแลความไม่รู้เรียงสาความไม่มีกําลังแห่งความรู้ความเข้าใจของตนเองก็มไม่รู้ที่จะเกิดอันตรายไม่รู้ที่สูงที่ต่าที่จะให้เกิดโทษเช่นไม่รู้ฟืนรู้ไฟอย่างนี้เด็กๆ เ, เห็นไฟมันก็เห็นไฟเป็นสีแดงแดงมันก็เข้าใจว่า เป็นของเล่นเอามือไปจับไปโดนไฟจี้ไฟไหม้ก็เกิดโทษอย่างนี้เรียกว่าใจที่ไม่มีที่เลี้ยงคือสติคุ้มครองมันก็จะรู้มันก็จะเกิดสังขาร ความปุงแต่งหรือเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาในใจ้ตัณหาอย่าเป็นผู้สั่งการนี่ว่าความอยากนั่นอยากจับอยากบายอยากอยู่อยากกินอยากยินอยากเดินอยากนั่งอยากนอนอยากได้อยากดีอยากมีอยากสุขอยากพ้นอยากทุกข์นี่เป็นเรื่องความอยากที่จะเกิดขึ้น ที่ถ้าไม่มีธรรมะคือสติจนเป็นสัมปชัญญะเรียกว่าไม่มีสติที่เป็นกำลังคุ้มครองคุ้มกันเพราะฉะนั้นการฝึกเจริญสมาธิภาวนาหรือบริกรรมภาวนาหรือการกำหนด อนาปานสติหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้จึงต้องสําคัญอยู่ที่สติความระลึกรู้ในการเจริญภาวนาการนั่งทำสมาธิหรือการเดินทำสมาธิหรือการนอนทําสมาธิยืนธ ท, ทำสมาธิจึงสําคัญอยู่ที่สติซึ่งเป็น แม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงพี่เลี้ยงที่สาคัญถ้าหากว่าความระลึกรู้เผอจากความรู้คือใจคณะใดก็นั่นแหละเรียกว่าขาดความเพียรขาดความต่อเนื่องขาดความพยายามต่อเนื่องท่านเรียกว่าขาดความเพียรเพราะฉะนั้นตั้งใจกาหนดรู้ให้ความเพียรต่อเนื่องกัน จนรู้ว่าไม่พังเผอนั่งกําหนดหายใจเข้าหายใจออกให้มันรู้แล้วลึกรู้ต่อเนื่องถ้ามันยังแวบไปเรื่องอื่นอดีตอนาคตนั่นเรียก ว, ว่าขาดความเพียรแล้วแต่ซับเข้าไปแต่ซับเข้าไปตั้งใจเข้าไปทําความรู้ให้ตื่นให้รู้ให้ เข้มแข็งเข้าไปด้วยการระลึกลู่นี่ เ, เรียกว่าขยับเข้าไปขยับรัว่วมันยังเผออยู่อาขณะนี้ชั่วโมงนี้ขณะนี้แต่และขณะขณะนี้มันยังมีเผออยู่ก็กระชับเข้าไปเรื่อยกระชับเข้าไปเรื่อยเรียกว่าหมุนเกลียวเข้าไปเรื่อยถ้าว่าเราขึงเราขึงเชือกขึงสลิง มันยังยานอยู่กับหมุนเกีียวไปให้มันตึงเข้าไปเรื่อยตึงเข้าไปเรื่อยตึงเข้าไปเรื่อยนี่คือวิธีการทำสติให้กล้าเ <c oughs> <c oughs> มื่อผู้มีความเพียรแพงอยู่ด้วยสติไม่ทอดทุละท่านเรียกว่ามุนีผู้มีความเพียรโคสังโคสติสังคาโต ผู้มีมุนีผู้มีความเพียรอยู่ก็จะเกิดความตั้งมั่นมีสมาธิตั้งมั่นมั่นคงไม่ต้องไปแตง่งไม่ต้องไปอยากไม่ต้องไปอยากให้เป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ตั้งมั่นอย่างนั้นอย่างนี้เพียงแต่ทาเหตุคือสตินี่ระลึกลู่ ต่อเนื่องกันเท่านั้นเนี่ยสมาธิคือความตั้งมั่นของใจแล้วเกิดเป็นความเบาความสุขความสบายหรือความแน่นหนามั่นคงความเป็นอิสระของความรู้ของเราเราจะรู้เองเราจะรู้เองเห็นเองสัมผัสเองแหละไม่ต้องไปเรียกร้องไม่ต้องไปบังคับบัญชา ไม่ต้องไปล่องเรียกหาผลเหมือนกันกับเราปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักอะไรเหมือนกันนั่นแหละเมื่อมีความเพียรระวังรักษาวัชพืชดู ดินดูน้ําให้ความซุ่มชื้นพอดิบพอดีให้ปุ๋ยพอดีพอดีไม่ต้องไปเรียกร้องหาวความงามเขาก็งามขึ้นคือท้ายออกดอกออกผลก็ไม่ต้องไปเรียกร้องไม่ต้องไปคุดไปคุยในต้นในลําเขาหาดอกหาผลเขาเขาออกมาเองอันนี้ก็เหมือนกันผลของการก็คือธฒน์ปฏิบัติธรรมหรือเรียกว่าผลของบุญ ที่จะให้เกิดความสุขด้วยสติต่อเนื่องกันด้วยสมาธิความตั้งมั่นของใจตั้งมั่นในธรรมตั้งมั่นในการประพฤติปฏิบัติเขาจะเป็นเองนี่แหละแน่นแน่นเรื่องสตินี่จเจริญสมาธิภาวนาดูอันนี้บริกรรมก็เอาให้มันแน่วแน่ หายใจเข้าพุทธหายจจออกโทออย่าให้มันว่างวางเว้นความลูความลู้ความระลึกลู้จนเมื่อเขามีกำลังแล้ ว, เ ข, ว เ, ขเขาจะวางเขาก็จะวางเองแต่มันจะมีความลู้ความระลึกลู่เป็นคู่กันลู่เด่นอยู่ที่นี่ลู้อยู่เฉพาะลูลูอยู่เฉพาะพความลู้เฉพาะใจอะไรเราจะลู้เรื่องเอง รู้เรื่องจะเห็นจะรู้ถ้าหาว่าสติไม่ต่อเนื่องกันไม่เกิดไม่เกิดผลเหมือนกันกันกบปลูกต้นไม้ปลูกต้นผักปลูกลงขนาดนี้ปลูกลงดินเอาต้นของมันเนบลงไปในดินยังไม่ถึงไหนแล้วก็โอ้หัวมันไม่งาม ตรงนี้ก็ถอนขึ้นม า, เ, าเป็นแนบลงตงน้นนี้ตรงนี้แนบลงแล้วยังไม่ถึงไหนก็ถอนอีกถ้าอยู่อย่างนี้ไม่มีผลไม่มีผลที่จะได้รับผลสุดท้ายก็ต้นพืช น, นั่นก็ตายทิ้งเปล่าๆนี่ก็เหมือนกันจเจริญเมตตาภาวนาฝึกหัดปฏิบัติจิตภาวนา ด้วยการเจริญสติสมาธิปัญญาเหมือนกันถ้าไม่มีความเพียรสร้างสติความระลึกลูกให้ระลึกไว้ชอบในปัจจุบันในการกำหนดนั่นไม่ให้ต่อเนื่องกันเลยจะไม่มีผลคำว่าสมาธิความตั้งใจมั่นหรือสมาธิ ความสงบใจให้เกิดนัตสันติป ร, รังสุ ข, ขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่นจะไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่ถูกต้องก็เพียงว่ามีศรัทธามีศรัทธาความเชื่อคําว่าศรัทธาคือความเชื่อมั่น ไม่ใช่ไม่ใช่ศรัทธาความตั้งมัน่นศรัทธาเชื่อมัน่นสมาธิค่อยตั้งมัน่นปัญญาค่อยรอบรู้สติระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้ตัวจะอยู่กลมกลืนกันที่แรกเป็นสติคือระลึกรู้เป็นขณะขณะมีความเพียรต่อเนื่อง กัหนดรู้อันเดียวอยู่ต่อเนื่องต่อเนื่องยึ่งจะเป็นสัมปชัญญะเมื่อเกิดเป็นสัมปชัญญะก็เรียกว่าเป็นสติชอบรละลึกชอบและสมาธิความมั่นคงตั้งมั่นของใจหรือใจที่จะไม่เอียงไปน้อมไปตามอารมณ์อดีตอนาคตที่มันเกิดขึ้น เหมือน ก, นกันกับลมพายุลมพัดมาภายนอกนี่แหละใจของเรามันเป็นสิ่งที่เบาลมอะไรพัดมันก็จะปิวไปปิวไปเหมือนกระดาษเหมือนสำลีที่เบานั่นแหละลมเล็กๆ น, น้อยๆกระทบก็ปิวไปจน ถ, ถึงลมพายุใหญ่ปิวไปนี่ก็เหมือนกันลักษณะของใจ ที่เป็นธรรมชาติชาติรูก้ก็จริงแต่เมื่อมีอารมณ์อะไรสัมผัสเข้ามาความรู้นี่ก็จะไหลไปหรือปิวไปอิวไปก็จะไปตามความนึกความคิดที่เดีย ว, ว่าสังขารปรุงแต่งก็รับรูกไปตามนั่นท่านจึงแสดงใน ปฏิจจสมุปบาทปัจจัยการที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเหตุปัจจัยนเรียกว่าปัจจัยที่สืบเนื่องกันเรียว่าปัจจัยการอาวิชาปัจจัยสังขาราท่านกล่าวอาวิชา ข, ข, ขึ้นก่อนอวิชาก็คือความเพลอเลอสติไม่ตั้งมั่น สติไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่ยังลงถึงความจริงนแน่แน่เป็นเหตุวิชาเป็นเหตุความเพอเพอเลเรนวิชาปัจญาสังขารจึงเป็นเหตุให้เกิดสังขารคือความปรุงแต่งปรุงแต่งแล้วก็ใจความรู้นี่ก็น้อมไป วิชาปัญยาสังขาราสังขาราปัญญยวิญญาณังเมื่อปรุงแต่งวิญญาณความรับรู้ทางความปรุงแต่งก็สัมผัสกันไปเรื่อยนี่ท่านเึงว่าสังขารเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณเจอความรับรู้อันนี้ท่านหมายถึงวิญญาณในขันห้าส่วนวิญญาณคือใจ วิญญาณเดิมความรู้เดิมนั้นเขามีของเขาอยู่แล้วมีของเขาอยู่เดิมเป็นทิฏฐิธรรมทิฏฐิจิตทิฏฐิรู้อยู่แล้วที่ท่านว่าเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณคือวิญญาณขันห้าวิญญาณความรู้นั่นเองอวิชาปจัจจยยสังขาราสังขาราปรจัจจยวิญญาณัง วิญญาณปัจจยะนามรูปังเป็นเหตุให้เกิดนามละลูคือลูกลกรูปกายนี่แหละนามก็คือนามกายคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละีว่าเป็นเหตุให้เกิดนามมาลูกนามรูปะปัจจยะ สรายตนังเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดอายตนะภายในภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสความถูกต้องสัมผัสทัานเรียกวภภา่าโพธพภะแล้วให้เกิดเวทนาสุขทุกข์นี่ให้เกิดนา ม, มารูปเมื่อมีนา ม, มารูป ก็เป็นเหตุให้เกิดผัสสะคือการสัมผัสตาก็เห็นรูปหูก็ ส, ส WY, ัมผัสเสียงเมื่อมีการสัมผัสอายตนะนีผัสสะก็เป็นเหตุให้รับรูกเป็นสุขเป็นทุกข์เรียกวเวทนาเนี่ยเกิดเวทนาความสุขความทุกข์ถ้าเกิดความทุกข์ ก็เกิดตัณหาคือความอยากให้ทุก์นั่นหายไปไม่ชอบถ้ามีความสุขก็มีความอยากให้สุขนั่นตั้งอยู่นี่เรียกว่าให้เกิดตัณหาเวทนาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาคือความอยากไม่มีความอยากก็เป็นเหตุให้มีอุปทาน คือความยึดเนี่ยเขาไปยึดไปติดไปมุ่งไปมั่นอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่านี้นเรียว่าอุปทานตัณหาอุปทานก็เปน็ปนพบพบคือเกาะวเกาะแน่นเนี่ยมีอุปทานกรรมไว้เหมือนมือเราเมื่เราจะตกที่สูงที่ใดที่หนึ่งข้อไปถูก ลาวหรือจริงไม่กมแน่นนั่นเรียกว่าพบไม่ยอมวางยอมปล่อยเมื่อมีพบมันก็มีการเกิดอยู่ในที่นั่นอีกนเรียกว่าพบเป็นเหตุให้เกิดชาติเข้าไปสัมปยุทธในสุขในทุกข์สัมปยุทธในในพบใน เชื่อชาติด้วยกรรมภพก็มาเกิดเป็นลูกยึดติดในมนุษยชาติเกิดเป็นมนุษย์ติดในสัตว์ดิบดิบฉันหมูหมาเป็ดไก่ก็เกิดไปตามนั่นแหละติดอยู่ในพื้นที่ไร่ที่นาก็เกิดเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นปูเป็นกบเป็นหอย ลอยล่องอยู่ตามไล่ตามนา น, นั่นแหละนี่ท่านเรียกว่าเมื่อมีภพก็มีชาติคือการเกิดเมื่อเกิดมามีขันห้ามันก็มีชราความแก่มรณะคือความสลายตายไปท่านว่าชรามรณะก็มีโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปยาตหมุนกลับไปของเก่า หมุนกลับไปอวิชชาของเก่าอยู่อย่างนี้แหล ะ, เ, ะเมื่อมาทำสติปัญญาซึ่งเป็นแสงสว่าง เ, เข้าไปลู้เท่าความไม่มีสติไม่มีปัญญาทำให้เกิดสติทำให้เกิดปัญญาขึ้นมานั่นแหล ะ, เ, ะเกิดแสงสว่างเกิดความลู้ความเห็นตามเป็นกิง่งก็หยุดที่นี่ หยุดอวิชชาหยุดอวิชชาความเผอเผอเลอะเลอะไม่มีมีแต่ความรู้ความรู้แจ้งความรู้รู้เด่นรู้รอบนี่ไม่มีความหลงแล้วไม่มีความมืดนี่เรียกว่าทําลายอาวิชชาหรือว่าดับอวิชชาอาวิชชายตะเวว แท้าวิราคาเป็นวิราคะวิราคาวิราโ ค, าาคาทํอวิชานะให้ดับไปสิ้นไปอวิชาดับสังขารดับวิญญาณดับนามรูปดับตัณหาเวทนาดับอุปาทานพบชาติไม่มีเหลือแต่ความบริสุทธิ์ของ ความรู้ธาตุรู้นี่ท่านเดียว่าทำให้แจ้งซึ่งพนิพพานคือดับอวิชชาตันหาอุปทานทำให้แจ้งเรียกว่ามักที่เจริญคือสติปัญญาได้เจริญให้มากแล้วเป็นรู้รอบ จนแก่ก้าให้เจริญมรรคให้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็เรียกว่านิโรธที่ทำให้แก้งแก้งสว่างด้วยมรรคแล้วสมุทัยก็ดับคำว่าสมุทัยดับไปตั้งแต่สติปัญญาเกิดขึ้น แกมแจ้งรู้ตามความเป็นจริงสมุทัยดับทุกข์ก็ดับสมุทัยดับทุกข์ก็ดับเพราะได้เจริญมรรคก็เหลือตั้งแต่นิโรธคือความไม่มีทุกข์หรือว่าความที่ทุกข์ดับไปเพราะได้ทำให้แจ้งแล้วซึ่ง สมุทัยดับสมุทัยอย่างเดียวดับตัณหาความอยากอย่างเดียวทุกทั้งหลายทั้งปวงสิ้นสุดท่านจึงว่าอุปาณิยติโรโก โ, โลกคือมูสัตอัญชาราต้นไปอยู่นี่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีชารามรณะโลกคือมูสัตอันชาราต้นไปอยู่ มีชีวิตอยู่ไม่ยั่งยืนอทูโวหาความยั่งยืนไม่ได้ไม่มีใครจะเป็นใหญ่ในความเป็นอยู่นี้จะต้องแตกกับสลายแล้วรู้เท่าความเป็นจริงทอนความอยากด้วยมรคคือสติปัญญาความอยากนั่นสิ้นสุดไป ไม่มีเหลือแต่ความไม่อยากเรียกว่าวิราคะวิราโคความความอยากคือตัณหาเรียกว่าถอนตัณหาออกจากธรรมชาติใจคือความรู้รูนี่นะนิชชาตโตปรินิพุโตติย่อมอยู่เป็นสุขนี่ปัทนาความ อยู่เย็นเป็นสุขที่ละเอียดขึ้นไปพัปนาความอยู่เย็นเป็นสุขในขณะนี้ในพบนี้ในเวลานี้ที่มีกายกับใจอยู่นี่ mm. ก็จงปฏิบัติจงเจริญอดสั้งโคสติสังคาโตเจริญสติให้มากให้มากธรรมนังวิจยโยตถะธรรมวิจยะสอดส่องไข้ควร วิิยะความเพียรพยายามไม่ทอถอยตั้งเข้าไปในการกาหนดรูในการตั้งสติกาหนดพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละเอาแค่นี้แหละถ้ามันต่อเนื่องกันออความสุขปรากฏขึ้นแบบเบากายเบา ก, กิจความรู้แปล ก, ปลกพิสดาลจะเกิดขึ้น ก็จะค่อยดับทุกข์ไปเรื่อยๆตั้งแต่เบื้องต้นนี่แหล ะ, ะเลื่อนไปไม่ทอถอยจนเกิดความละเอียดละเอียดเข้าไปสมาธิก็เข้าขั้นยาขันนกะสมาธิเข้าไปอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิอันแนบแน่นแน่นแฟนยู่ภายในกิจในใจปัญญาไข้คว้นแยกแยะ เข้าใจในเหตุในผลในตั ว, ใน ต, วในตนในคําว่านี่เป็นเรานี่เป็นเขาก็จะเข้าใจในสมมุติก็จะไปเห็นโอ้ยเรามาสมมุติจิตหลงเนี่ย ม, มาสมมุติเอาสมมุติเรามันก็ยึดยึดแล้วมันก็ติดเมื่อมันรู้แจกก้งรู้กแจ้งรู้กแจ้งขึ้นมันก็ทิ้งพัวออกไปขณะจิตเดียวเป็นคนละโลกเป็นคนละสภาวะ เวิ่วางเบิกบานเบานั่นเพราะมันทิ้งสมมุติเพราะมันไม่ได้ยึดจิตคืออุปทานนั่นแหละมันไม่มีความหลงเป็นยางเหนียวเชื่อมเมื่อทิ้งพัวคณะจิตเดียวหรือไม่ก็พิกความหลงเหมือนกับ เหมือน ก, นกันกับภาชนะเหมือน ก, นกันกับภาชนะใส่น้ำน้ําร้อนน้ําเดือดเดือดมันจะเป็นอันตรายความพิกลมขณะเดียวมันก็ซึมซาบยึอหายเข้าไปในดินหรือลงไปผสมกับน้าเยอะๆความเป็นน้าร้อนนั้นก็ไม่มีความที่จะเป็นพิษเป็นภยัยมันก็ไม่มี น, นี่เหมือนกันใจ สติปัญญาค้อมสมมุติค้อมใจค้อมธรรมชาติรู้ออกจากสมมุติทั้งหลายทั้งปวงหรือว่าแยกสมมุติออกจากใจก็แล้วแต่จะว่ากันนิชชาโตปรินิพุโตติยังไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขนิรันดร์ได้ด้วยการ จเจริญมรรคให้ยิ่งทำสติให้ต่อเนื่องกันนี่แหละนในที่สุดแห่งการอธิบายธรรมะอบรมกิตภาวนา ไ, ได้ยินได้ฟังเลยจงโอปนายิโกโน้อมเข้าไปสู่จิตสู่ใจตั้งใจลูกศรัทธาความเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติ เชื่อมั่นในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติสละความสุขที่มีน้อยนิดเดียวมันจะทุกข์จะยากลำบากยอมให้ลำบากเพื่อความสุขอันแท้จริงเหมือนกันกันกบนายพรานเบ็ดยอมสละเหยื่อนิดนิดหน่อยนอยเสือไว้ที่ปลายเบ็ดเพื่อต้องการปลาที่ตัวใหญ่ที่มี ข้ามากชั้นใดความเป็นอยู่ของเราร่างกายจิตใจนี่มันเป็นความมันเสวยความทุกข์อยู่กับการยืนเดินนั่งนอนการนึกการคิดทําการงานอะไรต่างๆนี่ยสละออกไปแล้วมาฝึกให้มันรวมอยู่ในอันเดียวมันจะเกิดความทุกข์ยากลําบากกวนกวายกับกับซับสติเข้าไปกับซับศรัทธาความ เชื่อในเหตุในผลว่าทำอย่างนี้ละจะได้รับความสุขจะได้รับความสุขจะเกิดความรู้ความเห็นในธรรมะทอดทุระในความสุขที่มีนิดๆหน่นนอยๆอา้ามันจะทุกข์ขนาดไหนดูเข้าไปดูเข้าไปสู้เข้าไปสุดท้ายก็จะเข้าไปถึงความสุขอันยิ่งได้สติอันแนบแน่นมั่นคงสมาธิ อันหนักแน่นปัญญาเห็นแจมแจ้งมันก็ถอนความยึดความถือก็สบายด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอจงให้สำเร็จสำเร็จในผลประสบผลแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรม แม่นประสงค์สิ่งใดเป็นไปโดยชอบในสมมุตินี่ที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอจงเป็นผรสาเร็จเป็นพรสาเร็จขอจงประสบความสุขด้วยอายุวันณาสุข า, าภละปฏิพานธนาสารสมบัติจงทุกประการจงทุกท่านทุกคนเธอ